ลทำกันเพื่อให้เป็นส่วนประกอบกับการปฏิบัติธรรมโลกเรามีหง อ, อกกันเดียวกันจากวานจากเรือนลางานลาการมามาถือบวชมาปฏิบัติจากเรือนไปเกี่ยวข้องด้วยเรือนให้ได้มีบทเรียนหลายๆอย่างหลวงตาจะพูดให้ฟังสิ่งที่พูดนี่มีอยู่ในเราด้วย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 เดินทางออกจากศรีมาโผมีอุปการชีวกคนดั่งเห็นก็เกิดท่าเรื่มใสอยากถามก็ถามดูทำไมสำนะกตรงนี้จึงมีลักษณะท่าทางสง่าราศีให้เหมือนสำนะอื่นๆื่นก็อยากถามก็ถามท่านเป็นใครมาจากไหนทำไมท่านจังมีผิวผันณผ่องใสอีก น, นักครูของท่านคือใครใครเป็นครูสอนท่านแต่เม่นั้นก็อวดกันเรื่องครู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 ไม่ใช่พูดอะไรพระเจ้าดูก่อนปัญจวิชีดูก่อ น, อนไม่ใช่เราเป็นชาวเสียงผูตัดจรลู้เองไม่ใช่คำ น, นั้นแล้วดูก่อนปัญจวิชีเราได้ตัดจรู้โดยโชคเราจะบอกปัญจวิชีซึ่งเคยอยู่ร่วมกันมาโดยเพราะโกนทยาผามเราก็รกเป็นสัตบรุษเป็นบรรพโุรษของเรา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 การเทศนาของพระเจ้ากันแรกคือวันเป็นเดือนแปดียว่าวันอาสาบุยชานับจากเดือนหไปถึงเดือนแปดในวันเดือนหกหัวเกิดพระสงฆ์ขึ้นมาตามลำดับอัญญากนทะยะรูกก่อนบพปัตยะมหานามะรูกที่หลังที่หลังสี่วัน5วัน10วันเจวันไปเกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นมามีลัตระสาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สมบุญแบบ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 เหมือนชาบเสื้อผ้าที่บังเปเื้อนมาผู้เจ้าก็แสดงธรรมานุบุพิกถาเหมือนกับซักให้บริสุทธิแล้วก็ย้อมให้ธรรมเทศนานนั้นที่เสร็จปวดยาสาคุณบทในที่สุดยส า, าคุณบทก็ได้สำเร็จดวงตาเห็นธรรมถือบวชเหมือนกับปัญญพีเข้าไปแล้ววิดามารดาบริวารของยาสาวุลบทไม่เห็นตามหา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 พออ่อในมวพระเจ้าพ่อหมู่สงปัญญบียะไปฉันทีบ้านโปรยพ่โจมทั้งหลายเพื่อนของยะศกุลบุตรเห็นยะศบวชเอา้ามาถือบวตอีกสี่สิบห้าคนนะเออมันก็เคิขึ้นมานี่หลักฐานาใครล่ะนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือพอสมควรผู้คนทั้งหลายปัญญบียาสะกุลบุตรเพื่อนยะศกุลบุตรนับจากนั่นไปอีก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 แยกย่ากันไปเราก็จะไปยังอุรุเวลาเสนาในคมคือราชคฤห์ที่ได้นัด ก, นกันกับพระเจ้าพิมิสารสมัยเสียถะออกทรงปนะหนดจึงเป็นเมืองกษัตริย์ด้วยกันพระเจ้าพิสารก็พระเจ้าสโตทนะละเป็นกษัตริย์ด้วยกันของบ้านกองเหลืองตามหัวเมืองต่างๆมาก็อบอกว่าเออถ้าเสียถะคนพบสรัทาจำเจ้าไหนก็นามาบอกด้วยเด้อ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 พระเจ้าพิษษาสารสร้างให้เป็นวัดวัดแรกที่สุดเลยในวันเป็นนันสามภิกษุทั้งหลายที่แยกยยกันไปต่างไปเผยแพร่ได้ผู้รู้เตมิมอัญญาโกตัญญบุปผาปัญหมานามะอจฉิพร้อมทั้งยาจับกุมกแยกกันกกไปก็ในวันเป็นนันสามดันมันเป็นวันประเพณีของชาวอินเดียเขาก็เคยไปร่วมกับเหมือนเรือพวกเรานะ่ะวันสงการเราไปอยู่ที่ไหนก็กลับบ้าน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 มันมีแป้งเอากอ้นหม้อเอามือไปเท้าก้นหม้อดำๆไปป้าหน้ากันก็ไม่ว่ากันไม่โกรธกันในวันนั้นเดีย๋ยวนี่ก็มีแป้งไม่มีมมก้นหนมะ้อเหมือนเมื่อก่อนเนาะใช่ไหมใครเกิดอายุเจ็ดสิบแปสิปีคงเห็นสมัยนั้นนะครับนี่แป้งเอาก้นหม้อดำๆไปปะกันนะนี่ก็เหมือนกันละ่ะสันดาเคยไปเวียนแทนอยู่ที่ไ่นไปอยู่ที่สารขี่เราก็เล่นกันไปเซไล่ป้ายสี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 ยศเสียงลงเอาลืนตาขึ้นมันก็คานเข้ามาเอาสีมาติดจีวรเราเมดหนึ่งมันก็ออกนี้ไปเออนี่ก็ดีมากเกันไม่ใช่ถึงเนื้อถึงตัวเหมือนก็เล่นสงการบ้านเราทุกวันเนี่ถึงเนื้อถึงตัวกันเลยแต่ล่ไปเสีก็พวกพระอรหันต์ทั้งหลายที่เกิดจากการเผยแผ่ระหว่างนับจาก เดือนเป็นเดือน8ถึงเดือนสามใก็แมนแเข้าเดือนเกิดพระหลหันรไปรวมกันที่ป่าเบรวนสวนเวรวนุงราชะคือเดินทางไปไปพบ พ, บพระพิเจ้าโดยที่ไม่ได้นัดหมายเลยไปอยู่ที่นั่นพุทธเจ้าอ้อาชจรรน้อพระสงฆ์ที่มาน่มารวมกันไม่ได้ดัดหมายตั้ง 1,250 งรู้ปล้วนเป็นพระหลันทั้งหมดเลยแสดงโ อ, อวาทไปถึโมก